พี่น้องญาติยศพี่น้องลูกหลาน <c oughs> ก่อนที่จะฟังเสียงธรรมภาคปฏิบัติองหลวงปู่เนิน่ถึงคำเ <c oughs> มตตาของหลวงตาบัาฑ์คือหลวงตามหาบัวนาท่านว่าการฟังธรรมท่าฟังเป็น เป็นบุญเป็นกุศลมากถ้าฟังไม่เป็นไม่เข้าใจมันจะตรงกันข้ามแทนที่จะเกิดความเป็นบุญมันจะกลับเกิดความเป็นบาปตรงนี้คือหมายความว่า <c oughs> พวกเราทุกคน แขกผู้มีเกียรติทุกท่านพี่น้องญาติยอมโรกด่านทุกคนอย่าพากันเดินไปเดินมาไม่มีความจำเป็นอย่าพากันโรกและอย่าพากันคุยกันถ้าเดินไปเดินมาในขณะที่หลวงปู่แสดงธรรมเทศอยู่น่ะมันจะกลับ ตรงกันข้ามแทนที่จะเกิดเป็นบุญเหมือนจะกลับเกิดความเป็นบาปเข้าใจความหมายหรือยังถ้าเข้าใจความหมายแล้ว <c oughs> องหลวงปู่เนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า บทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเมตตาสงสารเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะศัพท์นั้นคือปุญญาเนปาลโลกะจเมงปฏติธาห้อนติปานินานเตความหมายภาษาเรา มนุษย์คนเหล่าเชีเวทความเป็นโย่อาศัยบุญเป็นเครื่องอยู่บุญคมของบุญปกป้องบุญรักษาการสร้างบุญทำบุญผลตรงนั้นน่ะมันจะมารวมอยู่ที่ พวกเราทุกองทุกคนควา ม, มายนาะในปุญญานี่ปราโลกาเจมิงปฏิท่าห้นติปานินันติพี่น้องญาติยมแจกผู้มีเจียตทุกท่านบางคนบางหมู่บางคณะ หลวงปู่ฟังสลดสังเวชจริงๆอันนั้นคือคำว่าบุญบุญบุญอยู่ที่ไหนอะ่ะเขาไม่เข้าใจเขาไม่เคยเห็นว่าบุญเป็นยังไงตรงนี้นี่เองพี่น้องญาติโยมแจกผู้มีเกียรติทุกท่าน พระกันตั้งใจฟังเถอะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าบุญเมเจงบาปเมเจงชาตินี้เมเจงชาติหน้าเมเจงสวรรค์เมเจงนรกเมเจง ตลอดถึงมรรคผลนิพพานเมจริงคำว่าเมจริงเมจริง <c oughs> ตรงนี้แหละ <c oughs> พวกเราจะไปรู้ยังไง ร, รู้ที่ไหนที่นั่นบุเบมจริงบุญอยู่ที่ไหนให้พี่น้องญาติโยมแชกผู้มีเจียดทุกท่านลูกหลานทุกคนฟังเถอะ หลวงปู่จะอธิบายความหมายที่พระพุทธเจ้าเทศสอนด้วยความรักความเมตตาความสงสารคำว่าบุเมเจงอย่าไปดูที่อื่น <c oughs> <c oughs> ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วศึกษาแล้วให้อปนายิโกคือหมายก็ว่า เรื่องบุญเรื่องบาปนั่นนะน้อมเข้ามาดูในตัวเองก่อนไม่ได้ไปดูที่อื่นนะอย่าไปเห็นที่อื่นนะว่าบุญมีจริงน้อมให้มาดูที่ตัวเองมาทำความเข้าใจกับตัวเอง ความหมายตรงนี้ <c oughs> พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์อยู่ในฐานะที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติเดี๋ยวนี้มนุษย์ทุกคนจะนั่งฟังเทศฟังธรรม ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่หรือมาได้นั่งฟังอยู่ที่นี่มนุษย์ทุกคนเนี่ยอันนี้ละ่ะบุญพามาเกิดพวกเราเน่นะบุญพาพวกเรามาเกิดก็แสดงว่า <c oughs> อดีตชาติที่ผ่านมาน่ะนะพวกเราได้สร้างบุญธรมบุญไว้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแทศสอนการทาบุญบุญเกิดขึ้นในลักษณะไหนที่พวกเราได้ยินได้ศึกษาได้ยินได้ฟังว่า บุญเกิดขึ้นจากการทำบุญทำทานบุญเกิดขึ้นจากการรักษาศีลบุญเกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาหรือสร้างประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นอะไรเนี่ยนี้เป็นที่มาแห่งบุญเป็นที่เกิดแห่งบุญแสดงว่า <c oughs> อาดีตชาต พวกเราได้สร้างบุญในลักษณะนี่บนส่วนนั้นละ่ะสร้างแล้วทำแล้วเมื่อได้ไปอยู่ที่อื่นมารวมอยู่ที่จิตใจใจมนุษย์คนเรา <c oughs> ตั้งใจฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะใจมนุษย์คนเหล่าหรือว่าใจของพวกเราใจของทุกคนทุกพระเจ้าประสงค์ทุกองค์ก็กมีจิตมีใจที่พระพุทธเจ้าสอนว่า <c oughs> ใจดวงนี้แก่ไม่เป็น จรียงไหมได้พิจารณาไหมตรงนี้เรื่องนี้เข้าใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมว่าใจดวงนี่จิตใจดวงเนี่ยแก่ไม่เป็นนอกจากแก่ไม่เป็นแล้วก็ตายไม่เป็นทีเดียว พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคาเต้อเชดตรงนี้หลวงปู่จะปลุกความสานึกให้พวกเราได้เรียนรู้ตามความเป็นจริงอันนั้นคือคำว่าใจดวงเนี่ย ตายไม่เป็นแจ่ไม่เป็นตายไม่เป็นคติข้อคิดอันนั้นคือพวกเราเคยนอนฝันไม่ร้อยทั้งร้อยล่ะเคยฝันกันทุกคนลักษณะที่ฝันในขณะนั้นอะ ส่วนร่างกายของตัวเองนอนอยู่ที่นอนใช่หรือเปล่าฮะในขณะที่ฝันน่ะน่ะมันอยู่ที่นอนไหมมาตั้งใจพิจารณาเถอะเรียนรู้ตามความเป็นจริงเถอะพวกเราเคยได้ยินได้ฟัง เคยได้ศึกษาเคยได้เรียนรู้จากตำราศัพ์หนึ่งเลยวอกกายทิพย์คำว่ากายทิพย์กายทิพย์ถ้าเผื่อเมื่อได้มาฟังสัจจความจริงของจริงนั่นน่ะเอ๊กายทิพย์อยู่ที่ไหนอ่ะ อันนี้คือความไม่รู้คือความไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้พิจารณาสัจจะความจริง <c oughs> ถ้าเผื่อบางคน <c oughs> คําว่ากายทิพย์กายทิพย์ของทิพย์กายทิพย์เนี่ยจะไปดูที่ไหนไปรู้ที่ไหนนี้ยังไงจึงว่าหลวงปู่จึงว่า <c oughs> บุญหรือบาป อย่าไปดูที่อื่นให้มาศึกษาเรียนรู้จากตัวของเราเอะก่อนตัวของเราที่เกิดขึ้นมานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนีอันนี้ตัวบุญบุญพามาเกิดอย่าไปเข้าใจเรื่องอื่นนะ อย่าไปเข้าใจว่าเออเป็น พ, พ่อพ่อพ่อแม่แล้วเกิดมา <c oughs> มีพ่อมีแม่พ่อแม่ทําให้เกิด <c oughs> พ่อแม่แต่งให้เกิด <c oughs> ถ้าไปเข้าใจเพียงแค่นีก้ก็เพิดเอกนะถ้าพ่อแม่แต่งให้ลูกเกิดได้ปาดโจพี่น้องญาติโยมแจกผู้มีเจียรตทุกท่าน ถ้าพ่อแม่แต่งให้ลูกเกิดได้นะลูกทุกคนมนุษย์ทุกคนจะไม่มีที่ต้องติบกพ่องยังไงจะเป็นความสวยความงามหรือเป็นลักษณะไหนมันบกพ่องพ่อแม่จะแต่งให้ทั้งหมดเลยจัดให้ทั้งหมดเลย ดูสัญชาตญาณจิตใจของพวกเราเอาลูกของพวกเรามีกี่คนกี่คนกี่คนถ้าเราแต่งให้ลูกได้แต่งลูกได้ลูกจะไม่มีที่ต้องติดนั่นเห็นไหมคำว่าบุญผาามาเกิดบุญมากบุญน้อย บุญมากเกิดขึ้นมาก็เป็นคนสวยคนงามคัดเลือกนางงามกันทุกปีทุกปีสัญชาตญาณมนุษย์คนเราต้องการใครจะสวยใครจะงามกว่าใครคนสวยคนงามลักษณะนั้นละ่ะ <c oughs> ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคือคนบุคคลคนนั้นนะ่ะละเว้นจากควมชั่วจิตใจไม่ขุนมัวจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจแจม่มใสจิตใจดีจิตใจสะอาดใจลักษณะอารมณ์ของกลมโกรธ ยิ้มแยม้มแจมใตจิตใจดีงามถ้าจิตใจมีนักลัคนานี่ก <c oughs> ็จะแดงว่าเว้นจากควมชั่วที่พระพุทธเจ้าห้ามก็คือสินห้าเหมือนที่องค์หลวงปู่ นำพี่น้องญาติโยมนำพี่น้องลูกหลานให้ถึงคุณพระรัตนตรยัยแล้วก็สมาทานองค์สินห้าความหมายไม่ใช่เรื่องอื่นนะไม่ใช่ว่าตามขนบธรรมเนียมประเพณีพวกเราชาวไทยชาวพุทธกิจกรรม <c oughs> การงานสาธนาพิธีพิธีเด็กพิธีโตขนาดไหนต้องมีลักษณะนี้ สมาทานสิทธิห้าก่อนเข้าใจเพียงแค่ดียังไม่ถูกนะยังไม่สมบูรณ์นะท่านนั้นให้พวกเราเข้าใจว่าสมาทานสิทธิห้าสมาทานสิทธิห้าเนี่ย <c oughs> สัญชาตญาณจิตใจของพวกเราต้องการ ความเป็นสมบัติรูปสมบัติรูปสวยรูปงามอายุเยืนยาวนานเป็นคนล่ำคนรวยเป็นคนผู้เป็นคนมีจติตเป็นคนมีเป็นผู้มีปัญญาศักดิ์สิชื่อเสียงเกียรติยศ เกิดขึ้นมีขึ้นเพราะอาในสงจากการทำบุญทำทานรักษาสินสินห้าสินห้าสินห้าเนี่ยนะ <c oughs> ที่พวกเราสมาทานจากองค์หลวงปู่ไปมาจะคูคเนี่ยแต่และข้อแต่และข้อนี่นะลองท้าย าพระพุทธเจ้าสอนหลวงปู่ครูบาอาจารย์โทกองอ์นั่นละลงท้ายแต่ละข้อเวรมนเเวรมณนเเวรมณนภาษาพวกเราความชั่วข้อหนึ่งเวรมณนลงท้ายให้พากันหลีกให้พากันเลี้ยง ให้เลียกให้เลี่ยงให้เบนนะวามหมายนะ่ะทำไมจึงพระพุทธเจ้าจึงสอนการฆ่าน่ะนะฆ่าผู้ฆ่าคนโดยเฉพาะฆ่าผู้มีพระคุณยิ่งบาปมาก ถ้าเผื่อเป็นไปได้ความละเอียดจะสมบูรณ์แม้แต่สัตว์สาวาสิ่งสัตว์เดรฉานทุกประเภทถ้าเผื่อเป็นไปได้ข้ามันก็เป็นบาปอยู่แต่มันบาปน้อยถ้าเลีกได้เลี่ยงได้จะดีที่สุด เวลามนีให้พากันเลี้ยงให้พะกันเลี้ยงผลอานิสง์เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อย่างพวกเราทุกคนผู้ชายผู้หญิงถึงจะไม่สวยไม่งามถึงกับไปคัดนางงามรูปร่างความสวยความงามของพวกเรา บนีชาตินี้ในขณะนี้กก็ยังพอใช้ได้อยู่ยังดีอยู่สินห้ารถวันกดเว่นสินห้ามันไม่ได้สมบูรณ์บางครั้งบางขราวยังพลาดพลั้งเพลอไพลา ย, ย่บางครั้งบางขราวตั้งใจดีเลี่ยงอยู่ จะข้อที่สองก็เหมือนกันข้อที่สามก็เหมือนกันข้อที่สี่ก็เหมือนกันข้อที่ห้าก็เหมือนกันสาธวพี่น้องญาโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน <c oughs> ถ้าเผื่อพวกเรา <c oughs> ไม่ได้เข้าใจความหมายตรงนี้ ผู้นำประเทศผู้มีชื่อมีเสียงบางท่านบางคนเสียงท่านดังพูดแล้วได้ยินทั่วประเทศนักนกเข้าไปต่างประเทศด้วยว่าการดื่มสุราเมรัยไม่มีใครที่จะ ตัมนตถักทวงอนุญาตให้เดืม่มให้กินตามสบายสบายสบายหลงปู่ฟังเราบางครั้งบางข่าวสโลดสังเวชมากภาษาเราเนะี <c oughs> <c oughs> ่ะเดืมเหล้ากินเหล้า <c oughs> กินน้อยเมาน้อยไม่ใช่หรือกินมากยิ่งเมามากภาษาชาวบ้านเมาน้อยกับบ้าน้อยนั่นเองเมามากยิ่งบ้ามากดูลักษณะกิริยาบรรยาเรา บางคนบางครั้งบางข่าวนะ่ะครอบครัวตัวเองนะ่ะเมามาแล้วทะเลาะ ก, กันทำไมเน่ดกกันทำไมหนักหนาเข้าฆ่ากันตายพวกเราก็เคย <c oughs> ดูข่าวฟังข่าวได้ยินไม่ใช่หรือเรื่องเ่าเนี้ หนักๆเข้าบางคนนะบางครอบครัวโดนด้วยมาเยอเรื่องนี้ <c oughs> เอาตั้งใจดีๆเถอะพิจารณาเถอะฟังเทศเทศนาเทศนาเปวี๊บอกสอน เดี๋ยวนี้หลวงปูก่กำลังอราธนาเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกเขตบอกผลมาสอนพี่น้องญาติโยมทุกคนสอนว่าสินห้าที่พระพุทธเจ้าสอนเทศสนาเอาไว้ด้วยความรักความเมตตาความสงสารมนุษยนะ์นั่นแะ ให้พากันเข้าใจเป็นที่เกิดแห่งความเป็นบาปไม่ใช่ว่าว่าสมาชิทรับจากพระว่าเฉยๆว่าแล้วแล้วไปอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นน ะ, ะตั้งใจดีๆเถอะพิจารณาตามเหตุตามผลจริงหรือเปล่าที่หลวงปู่อธิบายเรื่องนี้ไอ้พวกเราปลุกความจำเนึ้อใจพวกเราเข้าใจอย่างเที่ การฆ่ากันเนี่ยดีไหมการลักจริงวิ่งราวพุทธิรมจมตีอะดีไหมการผิดจริตประเพณีสามีภรรยาบุตรธดาดีไหมสับสับเนี่ยพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานตองปู่ฟังบางสับบางคนที่ก็พูด หลวงปู่สลดสังเวชเมตานาะผิดจารีตประเพณีสามีภรรยาเนี่ยเขาไม่ได้พูดผิดจารีตประเพณีสามีภรรยาบุตรดิดาเขาไม่ได้พูดนายยกนี้แต่ไมเนี่ยเขาพูดยังไงฮเขาพูดยังไงเธอไปหาจิกหรือเปล่า <laughs> ไปอยู่กับจิกหรือเปล่า เยยังงไน tuo, i, ี่อย่างข้อที่สี่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะโกหกหลอกลวงคาว่าไม่โปร่งใสใช่หรือเปล่าไม่โปร่งใสป้าถุพี่น้องญาติโยม สุราเมลัยเาก็ไม่ได้ว่าสุราเมลัยนะเขาว่าแอลกอฮอลทำยังไงจริงถ้าไม่ได้มาฟังเทศทางภาคปฏิบัติปกความสํานึก <c oughs> มันเพี้ยนไปนั่นนะยิ่งหนักเข้าสารบางอย่างตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้สารบางอย่างชื่อมันกระ บ, บอกว่ายาบ้า ชื่อมันก็นบอกก็บ้าไปซื้อมากินทำไมอ่ะฮะชื่อมันกระบอกก็บ้าซื้อมากินมาขายทำไมอ่ะฮะนี่เจ้าให้ตั้งใจเถอะตั้งจตติเถออ ให้พากันขยันเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเถอะไม่จะได้เข้าใจความหมายว่าตั้งใจเอาตั้งใจตั้งใจความหมายกว่าตั้งใจตั้งใจเนี่ยตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งความหมายนะตั้งสติเพื่อให้สติตั้งใจไม่ตั้งสติไม่ตั้ง ใจลอยสติลอยถ้าปล่อยให้ลอยมากๆปกะสาชาบาลเรียงอะไรบาเอาายัางไงฮะก็เหมือนอย่างที่พวกเราจะเทน้ำใส่แก้วแก้วมันไม่ตั้งเอามันมีประโยชน์ไหมเทน้ำลองใส่ ใจของเราก็แบบเดียวกันนั่นละ่ะ <c oughs> จะเอาความดีเข้าใจในเข้าไว้ในใจถ้าใจไม่ตั้งก็เหมือนอย่างที่เราจเอาวัตถุสิ่งของใส่ในสิ่งที่รองรับถ้าตรงนั้นไม่ตั้งมันจะใส่ได้หรือเปล่าใส่ไปใส่มันจะมมีอะไรใส่ลงไปในตรงนั้นหรือเปล่า ตรงนี้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน <c oughs> ตั้งใจให้ใจตั้งตั้งจิตให้จิตตั้งเมื่อตั้งใจให้ใจตั้งแล้วก็ดูที่เนี่ย <c oughs> ฟังเรื่องใจ <c oughs> ที่องหลวงปู่ ลุกความสำนึกแท้สอนพวกเราใจนี่แก่ไม่เป็นเห็นได้ชัดเลยร้อยเปอร์เซ็นเล ย, เลยนอกจากแก่ไม่เป็นแล้วก็ตายไม่เป็นคนนั้นตายคนนี้ตายที่พวกเราเคยเห็นเคยว่ากันนะคความจริงแล้วใจเขาออกจากล่าง ทำไมมันจะออกก็เพราะมันทนทุกไม่ไหวเมื่อใจออกจากร่างจะให้อะไรพาใจไปที่เนี่ยฮะให้บุญหรือให้บาปเมื่อหลานน้อย <laughs> <laughs> เมื่อใจออกจากร่างจะให้บุญหรือให้บาปพาใจไป แต่นั้นบรรดาพระเจ้าพธิสงผู้สสทรงศีลทรงธรรมเป็นเนื้อนาบุญที่ท่านดรนันนทนาเทย์ทาบุญวันนี้นิมนต์หลวงปู่กุบาอาจารย์มาขนาหลวงปู่ยุนนุนโคราดฟัดเขาใหญ่เดินทางป่ากลัวจะถึงลกบูเหนื่อยนะตั้งสามสี่ชั่วโมง เดินทางมาเหนื่อยกะแทนที่จะให้ต้องปูพักผ่อนตามสบายสบายในเวลาสวดมนต์น้องปูสวดมนต์เสร็จแล้วก็ขอความเมตตาจากหลวงปู่เทศานแทนที่จะได้พักผ่อนตามสบายถึงยังไงยังไงก็ความเมตตาความสงสารถึงจะเหนื่อยขนาดไดนพอ นำพี่น้องญาติโยมชาวพุทธ <c oughs> ให้ได้ตามเจตนาความต้องการของตัวเองคือต้องการความเป็นบุญสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าสอน <c oughs> ทำให้เกิดความเป็นบุญจ้าลงปู่กมากออ็นำพี่น้องญาติโยม บฏิที่บ ต, ตามหน้าที่สาธารณพิธีจเจริญพุทธมนเพื่อเป็นสิริมงคลเทศแสดงธรรมเพื่อให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานได้เข้าใจที่ไปที่มาคำว่าทำบุญทำทำไมบุญอยู่ที่ไหน ถ้าเผื่อพวกเราฟังแล้วอ่ะที่สงสัยบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนนี่นะอย่างองค์หลวง ป, ปู่ที่สอนอย่าไปดูที่เอื่อนเรื่องบุญอ่ะให้ดูที่ตัวของเราก่อนเพราะบุญพาพวกเรามาเกิดใจของพวกเรานี่นนะอดีตชาติที่ผ่านมาได้สร้างบุญไว้ บุญพาใจพวกเรามาเกิดพบนี่ชาตินี่นี่อบุญพาพวกเรามาเกิดบุญพามาเกิดแล้วบุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาชีวิตผ่านวันเดือนปีมาจีวันจีเดือนจีปีแล้วเนี่ยเฮพี่น้องอย่ายมถ้าเผื่อ พวกเราไมา่ได้มาศึกษามาได้ยินได้ฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าชาติน้ามีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่า <c oughs> เมื่อจิตใจมันแ่ไม่เป็นมันตายไม่เป็น <c oughs> ก็ต้องเกิดอีกแน่นอน การเกิดขึ้นมาอีกนี่แหละอันนั้นแหะชาติหน้าแหละท่านการเกิดขึ้นมาอีกอย่างในโลกมนุษย์เรานี่เอา <c oughs> ถ้าบาปพาไปเกิดสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทในน้ำบนบกหลวงปู่จะถามพี่น้องอย่าโยม <c oughs> ใครอยากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนาะ ใครอยากไปเกิดเป็นปูเป็นปลาเป็นหมูปเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เนสันทรายานจีดใจไม่มีใครต้องการอยากไปเกิดเป็นลักษณะนั้นแต่ที่นี่สัตว์ได้ได้ฉนันมีไหมในโลกอันนี้ฮในน้ํามีไหมบนบกมีไหม พืนแผ่นดินมีไหมป้าโดพี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลานฟังเถอะเอาอยัางไงถ้าเราไม่รักษาเราจะให้ใครรักษาให้พระพุทธเจ้าเมตตาสงสารเทศนาสอน <c oughs> ไม่ใช่สอนเฉพาะมนุษย์นะ เทบุตรเทวดาด้วยสัทาเทวมนุษย์สานางพุทโธภกวาติภาษาเราแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสตราเอกสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหมายก็ว่าเทวดานั่นน่ะความเป็นเทพโรคเทพ สมบัติเทพโรบเทพก็ลงปู่ยกตัวอย่างขติตัวอย่างพวกเราเคยนอนฝันนะในขณะที่เราฝันร่างกายของเรามาอยู่ที่นอนใช่หรือเปล่าในขณะที่ฝันมาอยู่ที่นอนไหม <laughs> นั่นอากายทิพย์เด้อันน่ะ ศัพหนึ่งเป็นศัพโบรานทางอีสานนะนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ อ, อย่าไปเห็นกลงจากเป็นดอกบัวเด้อหมายก็่าไงเนี่ยอย่าไปเห็นกลงจากเป็นดอกบัวนะหมายก็่ายัางไงฮน่ท่านเปรียบเทียบเป็นบุคลาธิฐานข้อชิดข้อเปรียบเทียบ กงจัรท่านว่าเป็นคติเอาไว้ <c oughs> เปลดตัวหนึ่งกงจัรด่ามกงจัรก็กเหมือนด่ามล่มกงจัรก็กเหมือนล่ม ดามกงจากปักคือศีษะหมุนอยู่งั้นปะทวพี่น้องอยติโยมพี่น้องลูกหลานจะทกขนาดไหนจะเจ็บขนาดไหนปวดขนาดไหนทกขนาดไหนฮศีษะของพวกเราขนาดมดตัวแดงแมงตัวเล็กอะไรตัวนิดนิดน่ดนอยไปกัดกัอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไปเจิอ ด้ามเหล็กกงจากปากักศีษะหมุนอยู่งานอนะ่ะขนกรมจะทุกข์ขนาดไหนอาฉะนั้นคติตรงนี้อ่ะท่านเปียกเพียบอ่ะอย่าไปเห็นกงจากเป็นดอกบัวนะอย่าไปเห็นกงจากเป็นดอกบัวนะคือหมายกัว่าเข้าใจผิด สิ่งที่ไม่ควรยินดีกลับไปยินดีความหมายน่ะอะไรสิ่งที่ควรไม่ยินดีกลับไปยินดียกติตัวอย่างก็คือสินห้าข้อนั่นแ่ะการฆ่าการตีโมโหโทโสการยักลักเคีงวิ่งลาวโบทรมโจมตี ควรไหมจะไปทำแบบนั้นนะการผิดจารีตประเพณีสามีภรรยาไม่ต้องโูดถึงจี๊ดดอกการโกหกหลอกลวงควรไหมการเดิมการจินเหล้ากัญชายาฝิ่นัางนังน่เข้ายาบ้าตั้งใจดีๆเถอะหลวงปู่ว่า เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรฉะนั้นจริงว่าแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยเวลมัีเวลมันเนให้ปากกันดีให้ปากกันเรียกให้ปากกันเว้ยนนะอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้ทุกวันกับวันพระวันเจ้าเจดคำแปดคำสิบสี่สิบห้าคำขั้งขึ้นขั้งแหลมให้นึกถึงตรงนี้เป็นหลักไว้เถอะให้เชื่อเถอะว่า ใจของพวกเรานั้นแก่ไม่เป็นแล้วก็ตายไม่เป็นอย่าไปหาเรื่องแรงฤทธิ์ออกจากกิเลสโลภโกรดหลงมาทำให้ใจของพวกเราเศร้าหมองขุ่นมัวมากเป็นทุกข์มากยิ่งยกนี้สมัยนี้ก็ว่าโรคกิดอะไรนะ่นนะ โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลแทบจะไม่มีเวลารับคนไข้ประเทณี้อันนี้น่าสลดสังเวชคือความเข้าใจผิดจริงๆแล้ว <c oughs> ถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจดีๆทางภาคปฏิบัติที่เนี่ย ตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งตั้งใจเพื่อให้รู้จักคำว่าบุญกุศลถ้าใจตั้งรู้จักคำว่าบุญไปรู้จักตรงไหนไปเห็นตรงไหนใจตั้งแล้วใจตั้งอยู่กับความดีใจตั้งอยู่กับความสุขความสบาย ภาษาเราง่ายๆกับออทอกหนาจิตเอาทําใจให้มีความสบายสบายนะจใจให้อยู่กับความสุขความสบายอารมณ์ดีอารมณ์สบายสดชื่นลื่นเรืองเยี่ยมแย้มแจม่มใส จ, จิตใจดีงามตั้งใจให้ใจอยู่กับความดีความสุขความสบายอันนี้พวกเราเข้าใจ ต้องนี่มากน้อยขนาดใดตั้งใจให้ใจอยู่กับความดีผลความดีความสุขความสบายพวกเราตั้งใจของพวกเราให้อยู่ได้ต่อเนื่องต่อเนื่อ ง, ต, อองต่อเรื่องมากน้อยขนาดใหถ้ายังไม่เข้าใจถ้ายังไม่ได้ตั้งใจอยู่กับความดีตั้งแต่วันนี้เชิญพี่น้องญาโยมแขกผู้มีเกียรติดุกทันเพราะความดีส่วนมากอะ เราได้ทํามามากพอจำควรแล้วผลความดีก็คือความสบายจะได้ทําใจให้สบายสบายโสดชื่นรื่นเรื่อ ง, งยิ้มแยม้มแจม่มใสจิตใจดีงามอันนี้ใจมีบุญเป็นเครื่องอยู่บุญลักษณะนี้เป็นเครื่องอยู่จะรักษาความถูกความสบายได้ต่อเนื่อง ให้นึกถึงลักษณะของศีลศีลก็หมายถึงว่าอารมณ์อารมณ์เรียบร้อย <c oughs> อารมณ์ก็หมายถึงใจของเรานี่ยนะศีลคือความเรียบร้อยนี่ยนะอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยสดชื่นเรืองเลิยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจดีงามอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยศีลคือความเรียบร้อยบมายถึงอารมณ์ มันเป็นคนละเรื่องกับอารมณ์โทสะโมหะบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวแค่นคนละเรื่องไม่ใช่หรือนะสัเจตทะยานจิตใจของตัวเองในหนะวทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงต้องการความสวยความงามอยู่แล้วจะรู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงต้องการความสวยโวางามอย่างที่พวกเราจะอยู่ที่บ้านหรือจะไปทุรัที่อื่นทุกคนล่ะ ถ้าเผื่อไม่มีความจําเป็นต้องอยู่หน้ากระจกเงาเสก่อนนะใช่หรือเปล่าสองกระจกเงาเสก่อนซองทำไมกระจกเงาฮคือสรรชาติยานเนี่ยเพื่อให้รู้ตัวว่าเออหน้าตาของเราเนี่ยอยู่ในลักษณะหน้าดูไหมความสวยความงามเกิดขึ้น เพราะการรู้ตัวและตี่นี่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เนี่ย <c oughs> เอาสติปัญญาใช้สติปัญญาเอาสติปัญญาแทนกระจกเงาความหมาย น, นะเมื่อรู้ตัวจะว่าเอาพากัน ตั้งใจฟังทำให้ใจของเรานะั้นอยู่กับธรรมกุศลทำให้ใจอยู่กับความดีความสุขความสบายสดชืนเล่อเริงยิ้มแยม้มแจม่มใสจิตใจดีงามมีส ต, ร ต, ร ต, รติรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวลักษณะนี้เห็นคุณค่าโอ้จะรู้ตัวความดีของใจลักษณะนี้อำนาจของทานของศีลของการทำบุญที่ จะโลลักษณะนี้ก็อาศัยการศึกษาได้ยินได้ฟังเข้าใจความหมายไหมอา้าวมองดูเวลาไม่เกินเป็นเจ้ามงนะั้นล้มปู่ก็เหนื่อยแนะล้วนะเอาทะลุหัวข้อใจความตรงนี้สักหน่อย <c oughs> พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน ท่านด็เตอร์นัตนตกับแม่วานของท่านทุฑาวันทับบุญและพี่น้องญาติโยมชาวพุทธเป็นนักบุญมาร่วมการทำบุญกับท่านเพื่อเป็นการแต่งใจอบุญนี่แต่งใจ ให้ใจของพวกเรามีความรู้ความฉลาดให้ใจของพวกเรามีสติปัญญาให้ใจของเรามีความสวยความงามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเข้าใจลักษณะนี้แล้วการทำบุญจะมากจะน้อยมาจากทางใกล้ทางไกลทุกคนทราบซึ้งปีติยินดีไม่เสียโอกาสไม่เสียการไม่เสียเวลาการมาร่วมทำบุญ กับท่านด้เตอรท่านนัดตรงนี้ในเองคือหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะพระเจ้าประสงค์ผู้ทรงศีลทรงธรรมมารวมอนุโมทนาเจริญพุทธมนเพื่อให้เป็นฤิษีมงคลแก่ท่านเจ้าภาพและพี่น้องญาติโยมทุกคน เอาท้ายที่สุดตรงนี้ห <c> ล <oughs> <c oughs> วงปู่ขออัญเชิญเอาคนภา ษ, ษีรัตนใาายคือพุทธารัตนธรรมมารัตนะ สังคารัตนะจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องพี่น้องญาโยมแจกผู้มีเกียรติทุกท่านลูกหลานทุกคนให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยแล้วปราศนณาสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัยขอให้พวกเราทุกคนจงสงควปาปรารรนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอสาธุ